แนะนำบทอัลมาซัตบทอัลมาซัตเป็นบทมักกิยาะมีห้าองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความมินาฏของอบูุลลัฮ์สตรูของอัลลอฮ์และเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านรอซูลสัลลัลลอฮ์เวหลิวสัลลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตาม ท, ลลท่านรอซูลสัลลัลลอฮ์เวหลิวสัลลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านและขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่าน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 ด, ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงตรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอมือทั้งสองข้างของอาบูลหับจงพินาศแล้วก็ได้พินาศแล้ว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 ที่คอห้องนางมีเชือกที่ถักด้วยใยอินทรพลังคล้องอยู่